ถ้ามบทแปลเรื่องที่66เรื่องมารดาของนางกานาภาคที่สเรื่องที่เจของวรกที่หปันดิตตวครควรนน า, นาพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันสงปรารกมารดาของนางกานาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายาธาปิราฮโดคัมพีโรเป็นต้นเรื่องมาแล้วในวินัยแล ก็ครั้งนั้นในการเมื่อมันดาของนางกานาทอดขนมเพื่อส่งทิดาให้เป็นผู้ไม่มีมือเปล่าไปสู่ตระกูลผัวแล้วถาวายแก่ภิกษุเสียรูปเสียถึงสี่ครั้งเมื่อพระศัส ด, สดาทรงบัญญัติสิขาบทในพระเรื่องนั้นเมื่อสามีของนางกานานำภรรยาใหม่มาแล้วนางกานาได้ฟังเรื่องนั้นจึงด่าจึงบริพาทพวกภิกษุ ซึ่งตนได้เห็นแล้วและเห็นแล้วว่าการครองเรือนของเราอันภิกษุเหล่านี้ให้ชิบหายแล้วภิกษุทั้งหลายไม่อาจเดินไปสู่ถนนนั้นได้เมื่อพระสัสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงได้เสด็จไปในที่นั้นมารดาของนางกานาถวายบังคมพระสัสดาแล้วนิมนต์ให้ประทับนั่งบนอาสนะที่ตนตกแต่งไว้ได้ถวายข้าวยาคู และของควรเคี้ยวแล้วพระศาสดาสเสวยพระกรยาหารเช้าแล้วตรัสถามแล้วว่ากาณาไปไหนกานามารดาพระเจ้าข้านางเห็นพระองค์แล้วเป็นผู้เกยยืนร้องไห้อยู่พระศาสดาเพราะเหตุอะไรเล่ากาณามารดานางด่าบริพาทพวกภิกษุเพราะฉะนั้น นางเห็นพระองค์แล้วจึงเป็นผู้เกอ้อยืนร้องไห้ยอยู่พระเจ้าค่าลำดับนั้นพระสัสดาทรงรับสั่งให้เรียกนางกานามาแล้วตรัสถามว่ากานาเจ้าเห็นเราแล้วจึงเกอ้อเขินแอบร้องไห้ทำไมครั้งนั้นบารดาของนางกราบทูลกิริยาที่นางกระทาแล้วให้ทรงทราบทีนั้นพระสัสดาตรัสกั บ, บารดาของนางกานาว่า กานามมนดาก็สาวกทั้งหลายของเราถือเอาสิ่งที่เธอให้แล้วหรือว่าที่ยังไม่ได้ให้เล่ากานามมนดาถือเอาสิ่งที่หม่อมฉันถวายแล้วพระเจ้าค่าพระสัต์ดาถ้าสาวกของเราเที่ยวบินธบาทถึงประตูเรือนของเธอแล้วถือเอาสิ่งที่เธอให้แล้วจะมีโทษอะไรแก่สาวกเหล่านั้นกาณาแมนดา โทษของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพระเจ้าค่าโทษของนางนี่เท่านั้นมีอยู่พระสัสดาตรัสกานางกานาว่ากานาได้ยินว่าสาวกของเราที่บินธบามาถึงประตูเรือนนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มารดาของเจ้าได้ถวายขนมแก่สาวกเหล่านั้นในเรื่องนี้ชื่อว่าโทษอะไรจะมีแก่พวกสาวก ทั้งหลายของเราเล่านางกานาโทษของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพระเจ้าข้าหม่อมฉันเท่านั้นมีโทษนางถวายบังคมพระาศาสดาให้ทรงอดโทษแล้วครั้งนั้นพระาศาสดาได้ตรัสอนุปป pi คถาแก่นางนางบรรลุโสดาปติผลแล้วพระาศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะแล้วเมื่อจะเสด็จไปสู่วิหาร ได้เสด็จไปทางพระลานหลวงพระราชาท่าพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่าพนาย์นั่นดูเหมือนพระสัสดาเมื่อราชบรุษกราบทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าข้าดังนี้แล้วจึงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าจงไปจงกราบทูลความที่เราจะมาถวายบังคมแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระสัสดา ซึ่งประทับยืนอยู่นะพระราชน่วงถวายบังคมด้วยเป็นจางคประดิษฐ์แล้วทูลถามว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนพระเจ้าค่าพระสัสดามหาบาพิษอาตมาภาพจะไปสู่เรือนมารดาของนางกานาพระราชาเพราะเหตุอะไรพระองค์จึงเสด็จไปพระเจ้าค่าพระสัสดาได้ข่าวว่า นางกานาดาบริพาชภิกษุอาตมาภาพไปพระเหตุนั้นพระราชาก็พระองค์ทรงทาความที่นางไม่ด่าแล้วหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาถวายพระพรมหาบพิษอาตมาภาพทำนางมิให้เป็นผู้ด่าภิกษุแล้วและให้เป็นเจ้าของทรัพย์อันเป็นโลกุตระแล้วพระราชา พระองค์ทรงทำให้นางเป็นเจ้าของทรัพย์ที่เป็นโลกุตระแล้วก็ช่างเถิดพระเจ้าค่าส่วนมอมฉันจักทำนางให้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่เป็นโลกีดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับแล้วทรงสงยานใหญ่ที่ปกปิดได้รับสั่งให้เรียกนางกานามาแล้วประดับด้วยเครื่องอาภรทุกอย่างทรงตั้งไว้ในตาแหน่งพระธิดาผู้ใหญ่แล้ว กลัสว่าผู้ใดสามารถเลี้ยงดูทิดาของเราได้ผู้นั้นจงรับเอานางไปครั้งนั้นมหาอามาตย์ผู้สาเร็จราชกิจทุกอย่างคนหนึ่งกราทูลว่าข้าพระองค์จะเลี้ยงดูพระธิดาของฝาบาทถึงนี้แล้วนำนางไปยังเรือนของตนมอบความเป็นใหญ่ทุกอย่างให้แล้วกล่าวว่าเจ้าจงทำบุญตามชอบใจเถิด จำเดิมแต่วันนั้นมานางกานาตั้งบุตไว้ที่ประตูทั้งสีก็ยังไม่ได้ภิกษุและภิกษุณีที่ตนพึงบำรุงของควรเคี้ยวและของควรบริโภคที่นางกาณาตระเตรียมตั้งไว้ที่ประตูเรือนย่อมเป็นเหมือนห่วงน้ำใหญ่พวกภิกษุสนทนาการในรงถามว่าผู้มีอายุในการก่อนพระเถระแก่เสียรูปทำความเดือดร้อนให้แก่นางกานา นางแม้เป็นผู้เดือดร้อนอย่างนั้นอาศัยพระสัสดาได้ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาแล้วพระสัสดาได้ทรงทำประตูเรือนของนางให้เป็นสถานที่ควรเข้าไปของพวกภิกษุอีกบัดนี้นางแม้แสวงหาภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลายที่ตนจะพึงบำรุงก็ยังไม่ได้โอธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีคุณน่าอาศรรัศจริง พระสัสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุแก่เหล่านั้นทำความเดือดร้อนแก่นางกานาไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพวกเธอก็ทาแล้วเหมือนกัน อันหนึ่งเราได้ทำให้นางกานาะทำตามถ้อยคำของเรามิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็ทำแล้วเหมือนกันอันพวกภิกษุผู้ใกล้จะฟังเนื้อความนั้นทูลมิงวรแล้วจึงตรัสพัดพุชาดกนี้โดยพิสดารว่ายัเทโกและภตีพัดพุตุติโยตัตถายติตัทติโยจะ จะตุโท้อจะอินดันเตปัปปุกาพิลันติแมวตัวที่หนึ่งได้หนูและเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองก็ย่อมเกิดในที่นั้นตัวที่สาและตัวที่สี่ก็ย่อมเกิดในที่นั้นแมวเหล่านั้นทําปล่องนี้แล้วถึงแก่ความตายแล้วทรงประชุมชาดกว่าภิกษุแก่เสียรูปในบัดนี้ ได้เป็นแมวสี่ตัวในครั้งนั้นหนูได้เป็นนางกานานายช่างแก้วคือเราแน่นเองดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในอดิตการนางกานาได้เป็นผู้มีใจหม่นหมองมีจิตขุ่นมัวอย่างนี้แต่ได้เป็นผู้มีจิตผ่องใสเหมือนห่วงน้ํามีน้ําใสเพราะคําของเรา เมื่อทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่ายะธาปิระหโดคัมพีโรวิปปะสันโนอนาวิโรเอวังธรรมานิสุตตวานะวิปปะซี่ดันติปันติตาติบัณฑิต ท, ทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห่วงน้ำลึกใสแจ๋วไม่ขุนมัวฉะนั้นแก้อัด ห่วงน้ำใดแม้เมื่อเสนาทั้งสี่เหล่าข้ามอยู่ย่อมไม่กระเพื่อมห่วงน้ำเห็นปานนี้ชื่อว่ารหโดในพระคาถานั้นก็นีละมหาสมุทรซึ่งลึกถึง 84,000 ันโยตโดยอาการทั้งปวงชื่อว่าห่วงน้ำแท้จริงน้ำในที่มีประมาณสี่หมืนโยตภายใต้นีละมหาสมุทรนั้นย่อมวันไหวเพราะฝูงปลา น้ำในที่มีประมาณเท่านั้นก็เหมือนกันในเบื้องบนย่อมวันไหวพระลมส่วนน้ำในที่มีประมาณ4ี่พันยอดในถ้มกลางนีละมหาสมุทรนั้นไม่วันไหวตั้งอยู่นี้ชื่อว่าห่วงน้าลึกบทว่าธรรมานิได้แก่เทศนาธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสคำอธิบายนี้ไว้ว่าห่วงน้านั้นชื่อว่า ใสแจ๋วเพราะเป็นน้ำไม่อากูลชื่อว่าไม่ขุนมัวเพราะเป็นน้ำไม่หวั่นไหวฉันใดบัณฑิต ท, ทั้งหลายฟังเทศนาธรรมของเราแล้วถึงความเป็นผู้มีจิตปราศจากอุปกิเลสโดยสามารถแห่งมักมีโสดาปฏิมัชเป็นต้นชื่อว่าย่อมผ่องใสฉะนั้นส่วนท่านผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วย่อมเป็นผู้ผ่องใสโดยส่วนเดียวแล ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องมารดาของนางกานา